บทภาชนีหนึ่งรเมื่อสง์ยังไม่ลงอัญญวาท ก, กรรมภิกษุถูกไต่สวนวัตถุหรืออบัตถ่ามกลางสง์ไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นกลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรต้องอบัตทุกกฎเมื่อสง์ยังไม่ลงวิเหสักะกรรม ภิกษุถูกไตรสวนวัตถุหรืออบัตถ่ามกลางสงฆ์ไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นจึงนิ่งเฉยทําสงฆ์ให้ลำบากต้องอบัตทุกกดเมื่อสงลงอัญญาวาทั ก, กรรมภิกษุถูกไตรสวนวัตถุหรืออบัตถ่ามกลางสงฆ์ไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นกลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องพวกท่านกล่าวเรื่องอะไรต้องอบัตปาจิตตีเมื่อ สงลงวิเหสกกกรรมภิกษุถูกแต่สวนวัตถุหรืออาบัติท่ามกลางสง์ไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นจึงนิ่งเฉยทําสงให้ลําบากต้องอบัติปาจิตตีติกับปาจิตตีหนึร้อยหกรรมที่ทําถูกต้องพิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องต้องอบัติปาจิตตีเพราะนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนเพราะทําสงให้ลําบากกรรมที่ทําถูกต้องภิสูจไม่แน่ใจ ต้องอบัติปาจิตตีเพราะนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทําสงให้ลําบากกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติปาจิตตีเพราะนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทําสงให้ลําบากกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องต้องอบัติปาจิตตีเพราะนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทําสง์ให้ลําบากติกะทุกกฏ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ